ออพระที่มาศึกษาให้ตั้งใจศึกษาจริงๆนะอย่ามาเพ่นๆพันๆซุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้ถือว่าเป็นวัดเราเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราไปไหนเรากม็มีเนื้อมีหนังติดตัวไปดูวัดนั้นวัดนี้ไม่ดูเจ้าของศาสดาอยู่ที่พระนะพระมีธรรมมีวินัยนั่นแลไปที่ไหนมีศาสดาติดเนื้อติดตัวไป ถ้าไม่มีธรรมวินัยแล้วจเจ้าเทวดามาเป็นพระก็เทวดาเทวทัตนั่นแหละศาสตรายอยู่ที่ไหนท่านแสดงไว้แล้วว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหลจะเป็นาศาสตราของเธอทั้งหลายเมื่อเราตายไปแล้วนั่นนี่แหละไทยมีธรรมมีวินัยอยู่กับหัวใจกับตัวแล้วพระองค์นั้นไปไหนมีาศาสดาติดตัวตลอดตลอ ด, ตลอดนะ พวกเรานะี่มันมีศาจจะาหรือมีเทวทัศน์ติดตัวดูเจ้าของนะไปที่ไหนดูข้างนอกให้มาดูข้างในเทียบเคียงกันทางนั้นผิดทางนี้ถูกยังไงบ้างดูไปให้รอบด้านนี่เรียกกับผู้มาศึกษา <c oughs> จะเรื่องศาสจาที่ทรงสอนไปแล้วว่าสวัาดิธรรมไม่มีต้นมีปลายไม่ว่าดีว่าชั่วนะมีเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันหมด ใครส่องแสวงหาชั่วได้ชั่วได้ทุกขติดกรรมมามากับความชั่วผู้ส่องแสวงหาความดีได้ของหลิบของดีได้ความสุขติดตัวมาเช่นเดียวกันให้พากันจำเอาไว้เวลานี้กิเลสกําลังลบล้างอัดรมทั้งหลายจะไม่มีเหลืออยู่ในแดนไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธเลยนะไปที่ไหนมีที่กิเลสลบล้างเหยียบย่ําทําลายศาสนาใครสร้างความดีความดีขึ้นมา ความเวลวร้ายมันจะตามเข้ามาติดตามเข้ามาเหยียบย่ําเข้ามาผลสุดท้ายตัวของเราเองเหยียบย่ําตัวของเราอจากด้วยความชั่วทั้งหลายเอาให้ความดีทำพินัยไม่มีติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนก็มีแต่เทวทัศน์เต็มหัวใจเต็มพระเต็มเนนดูไม่ได้นะขอให้ท่านทั้งหลายพินาะให้ดีทุกอย่างทุกอย่างนะ ศาสดาทรงรอบคอบสุดยอดแล้วในโลกนี้จะหาใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคู่รอบคอบทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ได้เลยอเราโง่ให้ศึกษาอยากเก่งกว่าศาสดานะใครเก่งกว่าศาสดานั้นนั้นแหละเวลาตกรกตัวโรคหมกไหมไม่มีใครเกินในโลกนี้คือคนเก่งอย่างนั้นแหละให้พากันนมัสการทุกอย่างให้ดูตัวของเรา ใครผิดใครพลาดยาด่วนไปตำหนิติโทษเขาโดยไม่ดูความคิดที่มันเคลื่อนไหวเอาไปโยกโทษเขามันคือความคิดเช่นไรถ้าความคิดถูกเขาผิดเราอย่าผิดถือมาเป็นคติอันหนึ่งเราอย่าผิดจากนั้นเมื่อเขาถูกเรายึดมาเป็นปฏิบัติเป็นความถูกต้องหรืองามนี่เรียกว่าความคิดความปรุงที่เป็นอัดเป็นธรรมมีศาสดาประจําความคิดกวามปรุงถ้าความคิดความ ปรุงผิดพลาดไปในทางไม่ดีไม่งามใครจะเลวขนาดไหนตัวผู้ไปโยกโทษเขามีเลวกว่าเขาให้จำตรงนี้ให้ดีนะวันนี้ผู้ย่อๆไม่ค่อยมีโอกาสอบรมทานเลยวันไหนก็ยุ่งนั่นยุ่งนี่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองนั่นแหละจึงเป็นส่วนรวมไม่หมุนออกไปอย่างนั้นก็ไม่ไรเมื่อไหรจะ จ, จมทั้งชาติตั้งศาสนาไปด้วยกันนี่แหละเราจึงต้องดูของตัวของเราให้ดี เอาให้พื้นฟูในใจิตใจของเรามีาศาสดาติดแนบไปเสมอสติกับปัญญาใช้ตลอดสตินี่แนบแน่นติดตัวตลอดปัญญานำบอกใช้หนในเป็นระยะระยะระย ะ, ะ, ยะไปให้ติดอยู่กับตัวด้วยกันนะนี่เรียกว่าเป็นผู้มาประกอบความผ้าความเพียรอย่ามีแต่ผ้าเหลืองห่อหัวโลนหุ่มหัวโลนไว้นะหัวโลนมแม้จะมา เราไปโกนมันมันก็เป็นหมาหัวโล้นได้อย่าว่าเป็พระหัวโล้นที่ไม่มีธรรมีวินัยติดตัวนี่เลยอันนี้จําให้ดีข้อนี้นี่ละการพูดอาจพูดทำทั้งหลายฟังให้ถึงใจพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนด้วยความถึงใจถึงอัดถึงธรรมเราผู้ฟังผู้ปฏิบัติให้ถึงใจถึงอัดถึงธรรมเหมือนกันเราจะมีความล่มเย็นเป็นสุขตลอดไปอาละวันนี้พูดธรรมะสอนพระเรา แล้วก็ข้อวัดปฏิบัติในวัดนี้ให้ถือว่าเป็นวัดของเราทุกคนทุกคนข้อวัดปฏิบัติบกพร่องตรงไหนแสดงว่าเราบกพร่องในวัดนี้ไม่ดีเลยนั่นให้ดูข้อวัดปฏิบัติเช่นปากวาดเช็ดถูตรงไหนอย่าถือว่าคนนั้นทำคนนี้ทำให้ดูตัวเองว่าทาหรือยังถ้าไม่ทำบกพร่องตัวของเราเอง ทำอันใดแล้วถ้าครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนจุดไหนจุดไหนให้ยืดมาไว้เป็นหลักเป็นเจนนี่เป็นครูเนอาจารย์ติดตัวอีกเช่นเดียวกับเป็นศาสดาติดตัวของเราด้วยหลักธรรมหลักวินัยมั่นคงละที่นี้จะให้พร